นี่เป็นเวลาที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนาเป็นการปฏิบัติธรรมตามที่เราได้เรียนรู้มาแล้วดังนั้นจึงขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิแบบนี้เราได้เตรียนนั่งสมาธิตามแบบ ส่วนเรียกว่าสมาธิวิธีสมาธิวิธีที่เราปฏิบัติมีอยู่สองอย่างสมาธาวิธีปัจิปัสสนาวิธีแบบนี้เรามาเริ่มปฏิบัติสมาธิ ด้วยการตั้งใจกำหนดจิตทำความรู้ในจิตของเราว่าพระอุปธาจจพระธรรมพระสติมีอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาและจิตของเราเป็นผู้มีความรู้สึกสำหนกจิตเพ่อเพื่อดี อนีเป็ น, น, น, กกนวคว า, า, ามรู้สึกโดยสัมาัสาจที่มั น, น, นเกิดขึ้นใดจิตขึ้นมาภายในจิตของเราจะเป็นใครก็ได้หาเกิดจิตของตนเองให้มีความรู้สึกสำามในจิตแท้เพื่อดีอยู่ตลอดเวลาคือให้สำเร็จว่า อะไรดีอะไรเท่าอะไรผิดอะไรผูกอะไรคว ร, ร, รคทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรพูด อ, อะไรไม่ควรพูด อ, อะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดบางสิ่งเราอดคิดไม่ได้ แต่เราสำนึกเข้ว่ามันไม่ควรทำไม่ควรพูดแต่ได้คือว่าเป็นผู้มีความรู้สึกสรนึกิดชอบเพื่อดีเป็นต้ดเรื่อของความมีพุท ธ, ธะึ่งเกิดขึ้นในจิตแต่ก่อที่เราจะฝึกสังความเป็นพุท ธ, ธะ ให้มั่นคงลงในจิตของเราเราจรึงหันมาปฏิบัติตามแบบรสรรมะวิธีเพื่อปริธรรมภาวนาพุธโไไห้จิตตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านจงตั้งใจบริธรรมภาวนาพุธโไให้จิตกะพุโทโธเป็นกิริยาของจิต ให้ตั้งใจทดสอบตู ว, ว่าที่เรีนว่าโคโรผู้รู้โคโรผู้ตื่นโคโรผู้บกบานมันเป็นอย่างไรใครสามารถทัจิตให้สงบลงไปได้มดเมื่อจิบสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบาน ผู้ภาวนาจะรู้ธานทีว่าพุทโธคือสติปัขฐานบาังเกิดขึ้นในจิตของเราพุโทโธเป็นคุณฑธรรมพุทโธเป็นนามธรรมพุทโธเป็นเจตสิกที่บังเกิดขึ้นในจิตของผู้ภาวนา ทำให้เจตในสมาธิตัต้งมัน่นใน ส, สติสัมปัชฐารู้ค้อมในจิตส ะ, ะนั้นึงทำให้เรารู้สึกว่ารู้ตื่นเบิกบานในสมาธิอยู่นิ่งในสมาธิ เกิดรู้ตื่นเกิดปานมีความสว่างสะใยไม่ไปลืมตาก็ใาะงๆมองเห็นความสว่างแต่ความสว่างอันนี้มันเกิดที่สจาของผู้ภาวนาเมื่อผู้ภาวนาทำจิตให้รู้ตื่นเกิดปานแจ่มใส ออกจากที่นนั้นมาแล้วก็ยังจะรู้สึกคาโมทบันถายในจิตขณะที่คนธรรมเหล่านี้จะงังเนิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโตพุทโธในจิต รู้เกว่าวายเบาจิตเบารู้เกว่าวายสงบจิตสงบบางทีทําให้รู้สึกว่าเหมือนตันวลอยอยู่บนอากาศบางครั้งบริบทรรมตานวนาจังตาเปิดด ยังปลาบอยู่ในจิตแต่ใลภา ย, ยกลับว่าจิตของเราภาวนาพุทโธเองโดยไม่ได้ตั้งตแต่ทติสัสมปัชฌะรู้ตามอยู่ที่จิตพุทโธกับจิตไม่ได้แยกออกจากกัน โทษก็อันนั้นเจ็บก็อันนั้นใจก็อันนั้นรู้ก็อันนั้นรู้ตวามในขณะจิตนั้นในช่วงนี้บางทีเป็นความมีปีติ ยิ่งใจทำให้ขนหัวกองสยงแย่บางทีทให้ตายโยกโเันนิดหรือันแต่แล้วแต่กลังของปีติบางทีทำให้รู้สึกว่าหายใจโ บางครั้งทำให้รู้สึกหายใจสี่บางครั้งทำให้รู้สึกหายใจแรงขึ้นบางทีทำให้รู้สึกหายใจแผ่วเบเหมือนใจแักนมื่อาการทั้งหลายเหล่านั้นบรรเกิดขึ้นเพื่อว่ามาจะติดใ ให้กำหนดรู้จิตของตนเองเขยู่ถ้าเราเปิดตกใจเอกใจจะทำให้สมาธิของทุกสิ่งทผู้ใหญ่จะหายไปหมดวม่กำหนดก็จะไม่มี ดังนั้นเมื่อเหตุการณ์ต่างๆดังเกิดขึ้นให้กำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียวอย่าไปตือนใจอย่าไปเอะใจอย่าไปแกลใดๆทั้งสิ้ตและทุกเหตุทุกอย่างที่บัเกิดขึ้นนั้นเป็นส่วนประกอบของความที่จิต จะต่็ลงสู่ความเป็นสมาธิเมื่อเราเป็นอด้นต้องตัวจนการนี้ทำนานจิตของเราต้องตัวทำนานต่อการกาหนด ต, ต่อพนามคอยมองว่าเหตุการอะไรจะเกิดขึ้นในทำนอง น, นี้จิตของผู้ภาวนาจะไม่ตึงตกใจ ติตสัมพันย์สามารถจะประคองจิตให้ก่อไปสู่ความสงบความขั้นต่ำสงบราดวาดเพียงธนาจิตหนึ่งเป็นอโอจาระสมาธิสงบนิ่งนานจิตมีความสว่างเป็นอโอจาระสมาธิ ตอนนี้กายตนตัวยังปลาปุื้อยู่ลมหายใจก็ยังปลาปลื้อยู่ในพวงนี้แหละเอกจะทำให้เรารู้สึกเกิดมีเอกมีความสุขใจทำให้ร่างกายสั่นโยกตัวหรือมีอาการต่างๆเกิด ข, ขึ้น ดังที่กล่าวแล้วในเรื่องตนณในตอนนี้แหละเรื่องจิจตสงบสว่างแล้วยแต่แล้วจิตจะส่งออกไปข้างนอกจะส่งออกไปาตามสวางแห่งจิตเป็นตื่นนำความเจ้าจิตส่งกระแสออกไปตามตามสว่าง บางเอบางครั้งเกิดของพวาวนาละขันที่ตั้งดั้งเดิมเมือพอหมดความรู้สึกว่ามีกายแล้วก็ดิ้นตายเดินไปสร้างกายใหม่ขึ้นมาเจินมาเปิดมาหนึ่งว่าเราได้เดินไปในที่ต่าง ไอ้พอต้นพ่อตัดพออเกลราอินตนยงยักแล้วแตเราจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรบางทีก็ไปเห็นพระเห็นต่อเห็นะพุทธเจโลกเห็นสถานที่ต่างๆภูเขาเราต่างๆเาสะเดินท่องเที่ยวไปตามสิ่งที่เห็นนั้น บางทีก็ไปได้จนเป็นเวลานอนบางทีกับว่าเดินไปได้จนเองหรือบางทีอาจจะไปพบเพื่อนฝูงก็จะได้คุยกันทามขามตุกทุกกันรนบางคังจะเป็นอย่างนั้น แต่ในบางครั้งเมื่อตาเมื่อจิตังไม่ละความรู้สึกว่ามีกายเดินยังผูกพันอยู่กับกายเดิมแต่ส่งกระแสจิอตออกไปข้างนอกก็ไป ม, มองเห็นสีแสงเสียงโลกภาพตา่ตางๆแต่นี่คือละกายเดินเดินไปดังที่กล่าแล้ว สิ่งที่มองเห็นทั้งหลายเหล่านั้นเป็นนิมิตนิมิตอันนี้มาจากไหนเจตเป็นผู้สร้างมโนภาพึกิดมาดังนั้นโปรตาอาจารย์ผู้ท่านตำนานในการปฏิบัติท่านจพยงให้กำหน ด, ดรู้ว่าเป็นเพียงอารมณ์จิตเท่านั้นอย่าไปเยอะ ว่าเป็นจริงเป็นจรงเห็นเทวดาก็เป็นเพียงมโนภาพเห็นมนก็เป็นเพียงมโนภาพเห็นอะไรอะไรก็เป็นเพียงมโนภาพมโนภาพที่จิตของเราเองปรุงแต่งขึ้นปร์งแต่งขึ้นด้วยอํานาจของอุปาทานที่มีอยู่เป็นไม่ใส่ดั้งเดิ เมื่อเราสํารวมจิตทันจิดให้สงบลงไปแล้วในช่วงที่จะทําให้เกิดความคิดอ่านแทนที่ความคิดจะดังเกิดขึ้นเมอจิตทัาท่าจะนึกถึงสินงใดขึ้นมาแม้โลภะจึงตาตึกขึ้นมาแทนความรู้ความคิดที่เป็นภาสา แลาะในขณะนั้นจกิตกำลังเริ่มจะมีความแน่แน่กำลังเริ่มจะเข้าไ ป, ปสู่ความสงกอย่างแท้จริงดังนั้นกิตจงตายแตบออกไปตามกระแสแห่งความรู้สึกนึกคิด เมื่อภาวนาไม่หลงจิตนิมิตแตอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นตัณฑ์โลดลูเป็นเพียงอารมณ์จิตมีปฏิปันธ์โลดลูอยู่ที่จิตดวงเดียวตัณฑ์โลดเผยอยู่ในไปวิภาควิจารในสิ่งนั้นเพียงแต่รู้เกิดแล้วเผยอยู่ ว่าเติเติมนั้นเด็กจะไปสงบลอยไปทีละน้อยแล้วก็ย้อนเข้ามาสงบอยู่ในตัวของตัวเองย้นเข้ามาสงบอยู่ในตัวของตัวเองนิมิตที่มองเห็นทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วก็วิ่งเข้ามาสงบอยู่ในใจกลางของร่างกาย ถ้าจิตัวนี้สงบมีพลังมากก็จะแผ่รัศนีแห่งความสว่างสวความสว่างไสวแห่งไปทัวทั้งกายจะมองเห็นต่วนต่างๆของร่างกายภายใน่ตายนี้ลบเคลื่อนเลยมองเห็นอะไรมองเห็นผมขนแล้ กันหนังเนื้อเอ็นกระดูกน้ำหัวใจตับปอดท้องตือใต้ใหญ่ใตเล็อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำน้อน้ำทะเลน้ำเนื้อน้ำมูเซึ่งทออาการสามจิดต่อ ของตายในเมื่อตายยังปลาสวดสู่จิตก็จะต้องมองเึงส่วนต่างๆดังที่กล่าวแล้วหรือบางทีจิตอาจจะไม่มองถึงสิ่งนั้นๆพร้อมกันในขณะจิตเดียวแต่หากจะไปนับเกษาผมโลมาผม มะหานะดันตาปันตะโตนังมังส์งเลาะหารุเอ็อาเอกระดูอากเปนพังเยื่อในกระดูวัดตังมองอ้อมอัตฉรยหัวใจยักษ์นังตัดกิโลมะตังถังสื ตีหางไก่ตัาสังข์อันตางไส่ใหอันตะตังไสได้อยเอริย์อาหารใหม่สาริสังอาหารเก่าเอกตางน้ำดีเข้หางน้ำทะเลตกปอน้ำเหลืองลอยตางน้ำเลือดเพโทน้ำเหนือ เลโทน้ำมันก้นอาจุน้ำตาว่าสาน้ำมันเหลวเคโนน้ำลายสิงทานิกาน้ำมุกละสีการน้ำไข่ข้อมดตารน้ำมุกเอวะมายังเมตาจุตายของเราดีใหญ่เอื้อุทังกอทตลา เรื่องบนแต่ขึ้นเท้าขึ้นมาอะโคโเกสามัตตาเรื่องตานแต่ตลายผมหลงไปตาทะนิยังตมีหนังห้น อ, อยู่เป็นที่สุดรอบเอโลรานระตาะกาลัสอาสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการตา่างๆอย่างนี้แหละ แล้วจเอ็ดจะมารู้มารับสุดที่อาการสามสิบสองเบางดวงอาจจะไม่นับอาการสามสิบสบางทีพอวิ่งเข้ามาสู่ตัวเองแล้วก็จะมาแห้งดูตรงสะดุกที่หน้าอหรือบางทีอาจจะมากำหนดหมายรู้ที่บริเวณหน้าอก แล้วก <processor. S 2> ็กำหนดลอกหนังออกเราก็เหือเนื้อออกเป็นมองเห็นกระดูกที่หน้าอกและจิตดวนี้จะพิจารณากลับไปกลับมาพอเล็กกระดูกพอเลย้อนมาถึงเน้อมาถึงหนังเล็ถึงหนังไปถึงเน้อถึงกระดูก แล้วบางทีอาจจะมองเห็นกระดูกเป็นไมิพิเศษมาบริเวณนั้หรือบางทีอาจจะมองเห็นโองกระดูกของตัวเองทั่วทั้งกายหรือบางทีจิตเมืองนี้อาจจะบริกรรมภาวนาอติอติอติอติแล้วเพ่งดูดูที่บริเวณนั้ว จ น, นกระทั่งจิตสงดลงไม่เอียดลงไปแล้วจะมองเห็โนโครงกระดูกของตัวเองจนแล้แต่พลังของจิตจะตนดาลให้เป็นไปตามอุปกรัยของไกลของเราเ น, นืบางทันานบางทีเมื่อจิตสงดลงไปแล้ว อิดดายวางทุกสิ่งทุกอย่างใจนิ่งว่างสว่างสงบลรจะจับคามเมตตคิดใดใดทั้งสิ้นแต่เป็นจิตนิ่งสว่างสบายร้อยู่ในตัวเดียวตายไม่ลาศุ อารมณ์ของจิตในขณะนั้นไม่มีมีแต่ตัวรู้ซึ่งประกอบด้วยความสว่างใสโดยจิตยกเอาความสว่างของจิตเองนั่นแหละเป็นอารมณ์ลงังตายจนตัวหายไปหมดแล้วเมือ่อตายหายลมหายใจก็หายไป เมื่อกายหายปีติความสุขหายไปหมดเหลือแต่ความเป็นกลางความรู้สึ ก, สกไม่มีความรู้สึกทุกไม่มีมีแต่จิตนิ่งเป็นกลางอยู่โดยเที่ยงธรรมซึ่งเรียกว่าอุเบกขาอารมณ์ก็ไม่มีมีแต่ตัวรู้ จบก็ไม่มีทุ ก, ก็ไม่มีมีแต่กลางๆากับตัวรู้ที่ตั้งที่ดูของจิตในตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนจิตไม่มีที่ดูจึงเป็นจิตอยู่ที่จิตรู้อยูที่จิต ไม่ได้อาศัยอารมณ์อือ่นๆเป็นเพื่อนรู้อาศัยตัวเองเป็นสิ่งรู้เป็นเพื่อนรู้จิตในตอนนี้เจตนาการตั้งใจความรู้สึกความนึกความคิ ด, คดกรารพิจารณาอะไรไม่มีทางผิด มีต่จิตนึ่งว่างสว่างสวัยอยูอยู่ที่ไหนไม่รู้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นถพราะจิตไม่มีเครื่องมือตายหายไปแล้วโชคเก่งด้อย่างหายไปแล้วมีแต่จิตดวงเดียว ว่าเิดมือไปเิดดวงเดียวไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เจิดจิดไม่เป็นเพราะไม่มีอวัยวะทางกายเป็นสิ่งกระตุ้นให้ไหวตัวจึงเอาแต่นิ่งอย่างเดียวแต่เมื่อเิดมือไปฆ่าตายลาติดขึ้นมายอมวิ่งเข้าไปยึด ไป้อาศัยกายเป็นที่ตังเป็นที่ตั้งของสติเป็นเครื่องรู้ของจิงจตเมื่อจิตยึดเอากายเป็นอารมณ์สิ่งรู้เป็นสิ่งละลึกของสติรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองความรู้สึกและคิด ความคิดอ่านย่ำบังเกิดขึ้นทันทีเมื่อเกิดแต่เขาคนเดียวไม่มีตายสบายมากมีแต่ความนิ่งว่ า, วางรวังสบายสู่ตลอดเวลาแต่เมื่อย้านกลับมาหาร่างกายเกิดความรถถู้สึกจะมีตายขึ้นมาเมื่อไร่้วย ก็จะเคลื่นที่กายโรก็จะเคลื่นที่กายความคิดลงแต่งต่างๆเกิดขึ้นที่กายความร้กความเปลียนความทังความหลงความโลภแสดงอาการออกมาได้ก็มีกายเป็นเครื่องหรือดังนั้น สิ่งที่ต่อทุกข์ต่อยากให้แก่เราอยู่ทอดเกยกายตายต่อทุกข์ต่อยากต่อความลําบากให้จิบได้อย่างไงการตกพาทานนั้นพาทุกข์พาตกพาทานนั้นเป็นความเย็ดมั่นว่ากายเป็นอัตตาตัวตนเปนของเรา เป็นทุกอย่างยิ่งเพราะเมื่อจิมาสัมพันธ์กับใ a แกก็นึกว่าใจคือตัวของจก็ความโง่ที่ยังไม่รู้แจ้งเหตุิตตราบใดที่จิตดวงนี้ยังยึดว่าคือตัวตัวเป็นของเราอยู่รานั้นาทุกข์และความสุขย่ัเกิดขึ้นได้ ความยินดีความยินได้คามมติหาภาวะมติหาะวะิพาวมติหาย่อมมีอยู่แต่การเกิดขึ้นได้รอราท่าะะนั้นตายกับจิตนี้จึงเป็นตึงอาศัยซึ่งกันและกันแต่ทางนี้ทางนั้นไม่ใช้ว่าตายนี่เป็นของเหลวไหลเป็นของไม่ทีเป็นของ ให้การไม่ได้แต่ความดีแต่ความจริงความดีของตายนี้มีอย่างมหาศาลตายนี้เป็นสิ่งที่มีโทษมหันและเปมีคอนอนันต์โทษมหันก็คือว่าถ้าเรายืดมัน่นเถือมัน่นทำให้เกิดทิฏฐิมานะอหังการมะบังการถือเราถือใส่ หรือว่าเราดีหรือว่าเราเดินไปจะมาแะ ต, ต้องร่วกเกินไม่ได้แม้ เ, เป็นเพลินนั้นมันก็เป็นเีกให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะเราต้องมีการกระทบกระเือนซึ่งกันและกันแต่ถ้าว่าในกนาดใกันไดติดตัวนี้แยกออกจากตายโดยทิ้งตายเสีย การรู้สึกจช่นั้นย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เกิดขาดจิตเราว่าตายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัดบุคคลตัวตนเราเข่าเป็นแต่เพียงผ้าสีน้ำลงไปไปจมกันอยู่เท่านั้นหาอปาตัวตนไม่มีเพื่อติดขาดจิตให้ยอมรับสภาพการจริงว่าตายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา แล้วมันจะได้ปล่อยวางอุปาทานความึด่นดันเฉินดันจะรู้สึกว่าตายเป็นตะเกียงเั่วอาศัยตั่วขณะหนึ่งตั่วทีวิตหนึ่งเท่านั้นและเจตัวที่ฉลาดจะต้องพิจารณาว่าเรามาอยู่ในตายนี้เป็นการเสวยที่บากกรรมเราทำดีทำตั่วมันเป็นสายใด ให้บัรเกิดเป็นรูปร่างตัวตนเราจึงมีกายขึ้นมาได้เราจึงจะต้องสร้างร่างกายสร้างตัวสร้างเ็นอยู่ก็เราจังมีกิเลสอาสะวะถ้าหากเราละจักรกิเลสอาสวะทั้ทะะงหลายทั้งปวงให้หมดไปจากจิตใจคอาเแยดมั่นหรือมั่นด้วยอุปาทานไม่มี เอกลอยว่าความรู้สึกว่ามีอาตาตัวตนเสียหมดซึ่งเป็นเอกระแก ต, ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของตายหลายใจก็จะเหลือแต่จิตตัวเดียวที่บริสุทธิ์สะาดลาปชาสิเลอุปาทานทั้งหลายทั้งปวงลาพระปัญหาเรื่อต่อยไม่มีจิตอย่นี้เป็นจิตที่บริสุทธ แกิเลสอันเป็นเชื้อที่จะให้ต่อพบต่อชาตุมันเเกิดขึ้นมาอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อไม่มีกิเลสเป้นเหตุให้เกิดอีกการต่อพบต่อชาตุก็ได้หมดสิ้นไปศีลอาชาติความเกิดได้สิ้นไปแล้วตัวนภวติความเกิดใหม่ไม่มีแล้ว เพราะในช่างเจอปัญหาผู้พาสร้างบ้านสร้างเรือนเราได้กระจัดไปแล้วนี่เป็นเวลาสองข้าพุทธเจ้า ว, ว่าท่านสำเด็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านเปล่งอุทานออกมาดังนั้นเราึก็ปบบริบัทตทั้งหลายที่เราตั้งใจเราต้องปฏิบัติทำเพื่อจะให้หมดกิ แต่การที่เราจะให้โมทีเดตันเราต้องฝึกฝนอดทนพยายามสร้างพลังจิตของเราให้มีแนวโน้มในทางที่จะทำให้เราเกิดสติปัญญาวามรู้แจ้งเหงนจิตโดยวิธีการบำเพ็นภาวนาเริ่มต้นแต่ท่านสมถะวิธีตามที่กล่าวมาแล้ว ในบางช่วงรักภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้เป็นอย่างดีสงบละเอียดสว่างสงบมีความสุขปีติปลาโมกบางทีจนกระทั่งร่างกายคือตนตัวหายไปหมดจ้งด้วยจิตสว่างสบายอุู เพียดงดยเดียวเท่านั้นในคั้นแรกเมื่อจตกสรสหมดแล้วถอนออกมาจากที่สระกดคาระหมนั้นก็หายไปทุกเพียงทุกอย่างก็ไม่มีเกิดขึ้นก็เป็นอันสินส่นสุดการเตียงแค่นั้นเมื่อต้องการอยากจะมีความสนใปสมาธิก็มานั่งหลับตาบริกรรมภาวนาพุโทโธกันครั้งหนึ่ง จนกระทั่งจิตสงบลงเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งถ้าทำได้ก็ภูมิใจดีใจแต่ครั้งใดที่ทำไม่ได้ก็ต้อต่ายเสียใจว่าวันนี้เรามีทำอะไรเป็นภาวนาจีดไม่สงบเราจะมีประสบาการอย่างนี้เสมอไป ในบางครั้งภาวนาจิสตสงบดีในบางครั้งไม่สงบเลยมันจะเป็นอย่างนี้สลับกันเลื่อยไปในทางที่ถูกที่ควรในขณะที่ภาวนาแล้วจิสตสงบเป็นเรื่องของจิตก็ช่วงนั้นมันจะากสงบมันก็สงบไปช่วงใดที่ภาวนาแล้วจิตไม่สงบ ส่วนนั้นมันไม่จากสมงบก็ปล่อยให้มันไม่สงบไปหน้าที่ของเราเพียงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเท่านั้นโดยเฉพะอย่างยิ่งตัที่ภาวนาทำเสร็จให้สงบนิ่งเป็นสมาธิบ่อยๆ บ, บางทีก็ไปเกิดคามดีอกดีใจเมื่อเราได้สมาธิ พอเกิตถอนจากสมาธิข้ากระโดดโลดเส้นออกจากที่นั่งสมาธิด้วยความดีใจ้าเราได้การจริงไม่น่าจะทำอย่างนั้นเมือเ่อจิตนิ่งอยู่ในสมาธิท่านอุปจาระท่านอัปปนาปล่อยให้มันนิ่งไป แต่เมื่อมันสอนออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าตนตัวรปล่ากขึ้นมาให้รอเวลาอยู่พักหนึ่งอย่าเพิ่งออกจากที่นั่งสมาธิหรืออย่าเ่งเลิกภาวนาให้กำหนดดูจิตของตัวเองพันจิ แต่เรากำหนดดูจ็บบางทีจ็บของเราจะนิ่งวางอยู่เฉยๆไม่มีความคิดแล้วเราก็กหนดดูอยู่อย่างนั้นอย่าไปตั้งใจสร้างความคิดขึ้นมารอเวลาให้จิตอคิดเอง เมื่อิดมีความคิดขึ้นมาเองให้ที่มีสติตามรู้ตามคิดทันทีเมื่อเรามีสติตามรู้ความคิดจิตมันจะหยุดนิ่งว่าเมื่อจิตหยุดนิ่งว่าดูดูที่ความว่างของจิตอีกสักคั้งหนึ่งมันจะเกิดความคิดขึ้นมามีสติรู้ทันที ว่ารู้แล้วมันเกิดว่าดูรู้ดูที่ความว่าเมื่อมันกิดคิดดูที่ความคิดเมื่อว่าดูที่ความว่าเมื่อคิดดูที่ความคิดแต่ต้องให้กิดมันคิดของมันเองนะอย่าไปตั้งใจช่วยมันคิดเมื่อมันคิดเพรามันขึ้นมาเองเรากำหนดสติตามรู้มันเรื่ยไป ความคิดที่คิดข e ึ <tan> ้นมาเองสติกำนตามรู้เองโดยอัตโนมัติความคิดตัดสติไปพร้อมกันโดยอาศัยแอบเองอยู่กับจิตตัวคิดตัวคิดเรื่อยไปตัวตามรู้แต่รู้เรื่อยไปแล้วในที่สุดเอกเทศไม่ดุสติตามรู้ไม่ดุเหมือนกัน ยิ่งดูไปก็ยิ่งคิดว่ายิ่งดูไปสติยิ่งจ่มใสเด่นขึ้นทําให้รู้สึกมีความต้องเข้าว่องไว้ตัวคิดเข้าไวตัวสติตามรู้ตตกลงทันคันหมอเจอาะพอดีไม่มีอะไรค้าไม่มีอะไรเร็วกว่ากันสติตามคันตามคิดอยู่ตลอดเวลา ความคิดอันนี้กลายเป็นปัญญาในสมาธิกสติรู้ทันความคิดอันนี้ถ้าคิดไม่ยึดคิดแล้วรู้แล้วแต่ว่ารู้รู้แล้วปล่อยวางเป็นสมาธิคิดการคิดอันนี้สติตาไม่ทันหลงเยอะเพราะสติรู้ไม่ทัน กลาเป็นความฟุ้งซ่นนอกจากจะเป็นความฟุ้งซานแล้วยังเห็นจิตเป็นมิจาที่ฐิเจ็บจะต่อความไม่ยึต่อความผู้ภาวนาถ้าเจ็บเยอว่าวิสัยของกิเลสกำมีอยู่ถ้าเจ็น้อแล้วไม่เยอะเรีว่าวิสัยของกิเลสน้อยหรือไม่มีจึงไม่ย โดยความจริงที่เราสดใสตัดอุทายในจิตตลอดไปตัวความคิดนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งละลึกของสติถ้าจิตตัดแต่ว่ารู้ตัดแต่ว่าจิดไม่ยึดมัน่นหรือมัน่นในความคิดนั้นความยินดียินด้ก็ไม่เกิด เัื่อผู้ภาวนามีสติกาหนดตามรู้อารมณ์จิตของตนเองทุกปณญจิตทุกลมหายใจสิติสมตะชันยะมีพลังแก่กลา้าขึ้นสามารถที่จะรู้สภาวธรรมตามวามเป็นจิงสภาวธรรมคืออะไรคือความคิดที่คิดอยู่ม่จิ กตาธรทมนี้โดยกฎธรรมชาติของเขามีเกิดดับเกิดดับเป็นของคู่กันือ่อผู้ภาวนามีเจติต้องดูอยู่กำหนดดูอยู่ในที่สุดจะรู้กดธรรมชาติแห่งควาริงของกตาก็ทมเพียงแค่ดูเกิดกับดับเท่านั้น จะได้ปัญญาโต้ตแจ้งแทงตลอดว่านี่ไม่เพียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลองกำหน ด, ดดูสิถ้าหากว่าจิตของท่านรู้อนิจังกุขังอนัตตากำหนดดูอารมณ์จิดต่อไปขณะใดที่จิตสัมปชัญญะตามทันอยู่ตลอดเวลา เอารมณ์แต่ว่ารู้รูแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดเมื่อไม่มีการยึดความยินดีก็ไม่เกิดความยินร้ายก็ไม่มีเมื่อความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่มีจิตดำรงอยู่ในความเป็นปกติไม่หวั่นไหว แม้วความคิดจะเกิดตับอยู่ตลอดเวลาแต่ความรู้สึกเป็นกลางของจิตนั้นลาบุกเข็มความที่จิตลาบุกเป็นอยู่ในท่อมกลองแห่งความคิดนั่นเองความปกติของจิตคือเลยนะสก็จริงอย่างติดคารเป็นปกติตัวนี้คือมัทิมาปฏิปทาทางสายกลับ เมืโลจิตอยู่ในท่านกลางแห่งอารมณ์สิ่งรู้ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตก็ดำรงอยู่ในความเป็นกลางซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานจิตที่มีสติสัมปะัะญะสดต้องดูอารมณ์จิตอยู่ตลอดเวลาและรู้อยู่ในจิตตลอดเวลาอารมณ์เปิดต้นเกี่ยวเนื่องจากจิต ก็เหมือนรู้ในจิตตลอดเวลาไม่รู้เนะาะเพราะไม่ยึดอารมณ์นั้นว่าจิตตัวนี้ไม่ยึดอารมณ์นั้นจิตตัวนี้ไม่รู้เนาะจิตตัวนี้จึงเป็นจึงเป็นมัศมัศเทวขนทางการปรจัจจบัน แต่แกไปยึดเองภายนอกคืออารมณ์จิตทำให้เกิารยึดมันเป็นสมุทยัยการยึดอารมณ์เป็นสมุทัยเพราะไปรู้ที่อารมณ์จิตข้างนอกถ้ากำหนรู้ตัวจิตเองตัวปูโรหิเอง แต่ตัวรู้ท้อนดูในอารมณ์ที่ตาปวดปวันแต่ตัวรู้เป็นแท้ดูในผู้เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ็บรู้ในก็เป็นอริยมรรคถ้าเสือมไปนอกคืออารมณ์ก็เป็นสมุทัยเพราะอะไรเพราะอารมณ์เป็นเครื่องยื่อยึอให้เกิดความยินดีให้เกิดความยินรใจ ความยินดีมีแนวโล้ให้เกิดความมั่หาความยินร้ายมีแนวโน้มให้เกิดวิภาวะมั่หาตวามยึดมีแนวโน้มให้เกิดภาวะมั่นหาื่อจิตมีตามมั่หาภาวะมั่หาวิภาวะมั่หาอยู่พร้อมเทุกข์เกิดดังเกิดขึ้นเพราะตัวตสมไทัยมั่หามันเป็นเหตุละเป็นด้วยนั้น คือภาวนามองเห็นทุกข์ด้วยมองเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยจึงเป็นผู้พิจารณารู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลของทุกข์ที่มีความเกิดตับอยู่ภายในจิตตลอดเวลาเมื่อผู้ภาวนามีสติสัมปชัญญะรู้ตอนอยู่ที่รวงจิตผู้รู้ตลอดเวลา เจ็บตัวผู้นู้นแทบเคลื่นมากเท่าไหร่โวโทติของเจ็บก็เด่นแทบมากขึ้นเพียงนั้นเป็นเจ็บเพื่ปราศจากความยินดีปราสจากความยินร้ายมีความกลางกลางโดยเที่ยธรรมดับความยินดีดับความยินร้ายเมื่อดับความยินดีดับความยินร้ายได้ก็เป็นอันดับสุดเพราะความยินดียินร้ายเป็นเหตให้เกิดสุด เมือักเหตุแห่งทุทธความยินดียินร้ายได้โดยเด็กขาดอีกตัวนี้ยินร้ายป็นนิโรภอนิโรธาคือความดับการยินดียินร้ายจางเกิดขึ้นผู้ภาวนานี้สติกำนัลรู้อยู่ที่สิ่เหตุการอะไรเกิดขึ้นภายในจิตรู้รู้รู้แล้วปล่อยวางอย่างเดียวไม่เกิด ที่นี้ข้าติ่งโร้ทั้งหลายปรากดอยู่ตลอดเวลาผู้ภาวนาก็มีสติกำลังดูจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาและมหาเวปาถุกก็วันติธรรมะในการดูแลทรรมทั้งหลายย่อมปรากดแก่ตามผู้มีเกียรติขึ้นอยู่อาตาปินโนชาเจาโตปามนัสสั เพระอาศัยความรู้แจ้งเห็นจริงาการนั้นจนึงบรรเทาความเดือดร้อนหือความพุกในจิตได้ในการใดแลม้ทำทั้งหลายย่อมาะอดแก่ความผู้มีเตียนขึ้นอยู่คามนั้นย่อมเปิดดานัทัศนะความรู้แจ้งเห็นจริงประจับในคำที่ตาสดอยู่นั้น ในการดแลทเทั้งหลายย่อมจ่ากดแก่ตามผู้มีเพียนเพื่อยู่งานอย่างรู้ยอมจ่ากดเป็นเป็นรำให้ตวามสงสัยวี้ความนั้นขึ้นไปสงสัยว่าอะไรเป็นอนิจจังทุกของอนัตตาก็หายสงสัยสงสัยว่าอะไรเป็นทุกขรมหยนิโรธมรรคก็หายสงสัย มีสีนสมาี่ปัญญาประดูมกล้อมลงเป็นหนึ่งที่สิเหลือแต่สตินิยโยสติเป็นผู้นำจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นคนนั้นผู้ภาวนาบันลุถึงคุณณธรรมแม้ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลก็ได้เจอเป็นผู้มีความไม่ละมัดกะมีสติ สันปัญญะรู้ความอยู่ตลอดเวลาเิบของผู้ภาวนาจะมีความรู้สึกถึงว่ามีการเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตพออะไรผ่านมาทางพอหูสมูกนิจใจในใจเิตของผู้นั้นจะรู้ทันทีรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ ถ้าสงใดรู้แจ้งเห็นจริงสิงนั้นจะปูกปล่อยวางไม่เกวถ้าสึงใดยังต้องใจสงสัยจิตตัวนี้จะเก็บเอามาเป็นอารมณ์พิจารณาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา ธรรมะอันเป็นโอปนณาิโตน้องเข้ามาสู่จิตสู่ใจกิตตาุดเมื่อปราสดอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในจิตติตจอมนัตตภาพความเป็นติ่งรู้เชิงพาลุงลงไปแล้วจิตก็เกิดปีติเกิดความสุขมีอาการสงบพวกพวกพวกลงไปนิ่งว่างตัว ่อไปยัดยังอยู่ในความสงบเรื่องว่างสว่างก็สมควรถอน อ, ออกมามาโลกเกิดจางธรรมดาก็มี ส, สติเตรียมความรู้อยู่ที่ิตตลอดเวลาอะไรผ่านเข้ามาจิตเป็นอารมณ์ที่ต่อระนาอีกตของก็นั้นมีธรรมมีธรรมบังเกิดเกิดอย่ตลอดเวลาได้อะไรก็เป็นธรรมปหะด ในที่หด้วยตาหูจมูกนิ้ไปลายในใจทั้งสิ่งที่มีในทำกีทำทำกีนี้ในในพระใจจิตก็ ด, กดีหรือสิ่งที่ดูนากเหนือทำกีแค่ทำนี้ในในพระใจจิตก็ ด, กดีสิ่งนั้นจะเป็นธรร ม, มกันทั้งหมดพระจิตเป็นธรรมเน้จิตเป็นธรรมตูอะไรก็เป็นธรรม มองอะไรก็เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของพระอริยบุคคลหรือผู้ใกล้จะถึงการเป็นพระอริยบุคคลทำอนั้นเป็นศาสตรธรรมเป็นธรรมะของสิ่เป็นธรรมะเอโลกเป็นธรรมอันยิ่ง พราะอาศัยจิตยิ่งอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็ตัดที่จิตจึงกลายเป็นของจึดเคยยิ่งยี่งใหญ่ยิ่งเหนือสิ่ง ใ, ใดทั้งสิ้นแต่ถ้าจิตดวงนี้ยังมีสภาพเป็นปุถุชนนั้นไปด้วยกีริสทำมากที่ิดตัดจิตของเขาเป็นสัจฉรรมปฏิโลกเป็นรรปัจฉมกลับ ตัดทำตามจิตตลอดจิตที็มีกิเลสตัดทำที่เ ก, กิดขึ้นเป็นกรุปเขาตัดจิตที่มีกิเลิกลายเป็นตัวจิตจนเป็นตัดทำปฏิรุปเป็นตัดทำที่เขึน้นคลาดจากความติดมันเืน่อนคลาดจากความจริงอย่างไ ร, ตตไไรอัตตาตัวตนไม่มีแต่ไปยกว่ามีอัตตาตัวตน เป็นความเห็นจิตจากความเ็นจิต้าตุที่นิงนั้นลมไปเป็นส่งที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีอัตตาตัวตนความเห็นแบบนี้เรียกว่าเห็นจิตซึ่งเป็นอัจฉปฏิลกเห็นธาเพื่จากความเป็นจิตเพราะฉะนั้นที่มันเปินจิตให้ตรรลุเห็นาว่า การเป็นผ um ู us, ้ตามเป็นผู้ตื่ตามเป็นผู้เหตุบังเจตเมตติสมทัญญะเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตสิ่งรู้ตื่นเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเจตของท่านพวกนั้นเป็นสีติคือความตั้งมันตั้งเด่นอยู่ธรระอันเป็นสิ่งรู้ของท่านพวกนั้นจึงเป็นปู่ตง เป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติจิตตัวนี้จะตั้งเบนอยู่ในท่ามกลางแห่งสิ่งวดล้อมนานัตตะกัดตัวตั้งตัวสิ่งแวดล้อมของจิตจะมานรอจิตอยู่แต่จิตตัวนี้ไม่วันไหวไม่ดีไม่ยินร้ไม่ดีใดไม่เสียใด ตัวที่พูตังแสดงไปตามกฎของธรรมชาติอะรต่างทุกขังอนาตามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวศีรษะจิตที่ตั้งเดินอยู่เหนอสิเหนตั้งหลายขั้งปวนั้นอะไรผ่านเข้ามายินดีไม่มียินร้ายไม่มีมีแต่เ h ยๆเลียดเหมือนน้ที่ค่ตบนใบบัวไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปในใบบัวได้สนใด จิตที่เป็นจิติลอยเดินอยู่ไวที่เหลนทั้งดวงนั้นและอารมณ์ต่างๆเข้ามาตอบเพียงแต่ว่ามาสัมผัสแต่ไม่ซึมเข้าไปเลยเนื้อในของจิเพราะฉะนั้นในจุดนี้ท่านอาจารย์มันท่านเป็นล่าว่าจิติปูตังีิติจิตที่ค้นแล้วจากเกลี่ยทั้งดวงตั้ ง, ง, งเดินดูโดยความเป็นอิสระภาพ ปูตังสิงหอีเป็นสถานการณ์แสิ่งแวด้อมที่ทำให้เราหูด้วยตาหูจมูกมีนปลายในใจย่อมเป็นไปตามกฎธรรมชาติปอูอนิจังทุกขังอนัตตากิดสัญหามาน้าทิ่อีกามแัญหาภวะสัญหาภวะปัญหายิตะวจิจได้ทำลายหมดแล้ว จนไม่สามารถขันแปลสีติตัวนี้ให้แปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นมีแต่ความวริสุทธะอาดลอยเป็นสิ่งีลาชาติศีเอติอาสิ่นแล้วไม่ต้องเกิดอีกเพราะไม่มีทีลตัวนัตถโติความเกิดใหม่ไม่มี เป็นอันว่าสึ้นพบซึ้นพลาดกันเสียติเลยคือการบรรลุธรรมขั้นสุดยอดของนักภาวนาจะต้องเป็นแบบนี้เมื่อเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุดได้ถึงขนาดนั้นเราเละกลว่าเรากำลังบำเพ็นบารมี้ส้างบารมี สมาธิปัญญาติดสนอดลตือนให้บริสุทธิ์สะอาดทำเจให้บริสุทธิ์สะอาดทำปัญญาตวามเห็นให้ถูกต้องเตือบริสุทธิ์สะอาดนับตั้งแต่สี่ท่าทำเจให้บริสุทธิ์สะอาเจ ให้มีความบากบันความต้องการตรงตามหน้าที่ก็ยังฟังบ้านฟังเลินมีศีลธรรมทำหน้าที่ของตัวฟงบ้านฟังเลินอย่างตรงไปตรงมาเชือ่อตัดต่อกันละกันเป็นการทำจิตให้บริสุทธสอาดต่อกันพ่อแม่โลก มีความตื้อตัดตรงไปตรงมาต่อกันมีความบริสุทธิ์สะอาดต่อกันเศรษฐกิจมีความตื้อตัดตรงไปตรงมาต่อกันมีความสะอาดบริสุทธิ์ต่อกันความขั้นต่อบรวิวารใจเป็นอะไรให้พิตารณาให้รู้ความเป็นของตัวเอง เป็นข้อหาทำหน้าที่ของข้อหาปฏิบัติตตตทำการขั้นตอนของข้อหาเป็นก็เป็นในปฏิบัติทำการ ข, ข, ขั้ น, น, นตอของคามเป็นพระเป็นเดการติงคารเป็นพระเป็นเลนเนี่ยแต่อยอดโยมสวดมนวันหนึ่งสามครังพระเลนควรไปสวดวันละทิพยั้ง วันหน่ยาดจอมนั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงและเมตตวรจะนั่งสมาธิวันละสิบชั่วโมงต่ถึงวิธีการปฏิบัติยอดจมสัรมรลิตสัมรมใจในแค่และระบแบ่งสิบห้าประการละเมตตวรจะสวมริตใจให้ครบต้นสงองร้ยี่สิบเจ็ ้าตโยมีความปรารนาดีต่อกันเต็นล้อยเติบติและเนรควรจะมีความปรารถนาดีต่อกั น, นต่อญาติต่อโยมพันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอะไรที่ชาบ้านเขาทาได้ถ้าเขาทาได้สุดๆและเนรควรจะทาได้ก็ดล้อยสุดนันจป็นแสมบัติของต่อเส้นพระเป็นเลยเป็นผู้นาในแนวหน้ พาหาว่ายังยองตอนก็ยังสมัครพระพาก็เรกว่าเป็นผู้นำเขาให้ได้นักเบือที่มีความเบื่อหน่ายต่อการศึกษาเท่าเรียนต่อการปฏิบัติล่อลยเวลาให้ล่วงเลยไปทันทีที่ให้เป็นห น, นันในเมื่ออยู่ภายในศาสนานานๆอายุมันมากฝึกมันสามันต่อมา คนนั่นเขาทมาสมมติต่งตั้งให้เป็นตูปาอาจารย์คนนั่นจะท่านอาจารย์คนนี้หลวงพ่อคนนั่นจะผ่านต่อใ น, นตัวเองตูเขาอตโทให้เป็นตูปาอาจารย์ไม่มีปู่ที่จะแก้ปัญหาทางจิตทางใจพอต้อนหาเรื่องหาคนอุบายละโต๊หกาปซึ่งมีประสบการณมากมายและเกิด แต่ไม่ขอนํามาเล่าให้ฟังแต่ถึนนามาเล่าบางทีอาจจะทำให้พระสงฆ์ต้น้อย อ, อกน้อยใจหรือบางทีอาจจะนักบวชจะมาท่านผู้ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติได้ก็อาจจะเป็นได้แต่เป็นการแต่หาทางให้หมู่คณะนะสร้างบาปสร้างกรรมดังนั้นนักปฏิบัตินักบวชทั้งหลายนี่ควรจะเขารัในคุณธรรมของกันและกัน เพง่อ so, so, ้นในคุณธรรมต้องกันเหล่านันมีความติดตัดตรงไปันมาต่อกันเรื่อนของกาณาไม่มีความรักไม่มีสิ่งใดที่จะตกผิดมี่จะเกิดเผยท่าเดียวแล้ว่าท่านผู้ใดอาจจะมีโทษมีความหยุดภายในเจ็บใยใจของตนเองทาสินงใดไม่สนควรแก่ธรรมนาเทศเราต้องเป็นผู้โลภเหมนเพราะเราเป็นผู้กระทำ มีความเกียดเพือนลดหนาตอนเตียงใดแค่ไหนเราเป็นผู้ทอะไรจะผู้รับผิดสิงใดที่เราทำลงไปแล้วอะไรควแก้ไขได้ก็แก้เคออะไรที่ควรแก้ไขไม่ได้มันจบปีไสต่อไปตามแนวทางดังนั้นการปฏิบัติก็องทำมาดีในนี้ไม่จะเลืองที่เราจะไปคิดมมันเป็เรืที่คนเติดตส้ง